เรียกว่าเมื่อเรามีการกระทําถ้าไม่มีการกระทําก็ไม่สําเร็จสัตติเกินหลงก็จะเป็นความหลงอยู่เรื่อยไปถ้าหลงเป็นรู้ศึกตัวความหลงก็จะจะแล้วแม้ยังไม่แล้วก็ใกล้จะแล้วถ้าหลงเมื่อไหรเป็นรู้หนึ่งครั้งมันหลงรู้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 อาวะที่รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานเรื่องนี้โดยตรงเอาจังมีสติเอาไว้เพื่อใช้ให้ทำงานตามได้จริงๆนะมันหลงรู้นะนต่อวันทุกก็รู้มันผิดก็รู้ อะไรที่มันเกิดกับกิตกับใจที่เป็นอาการต่างต่างแปดหมื่นสี่พันเรื่องทำได้สำเร็จแล้วมันสำเร็จมันก็งานมันแล้วจริงจริงงานของกิจของใจของนามธรรมาเนี่ยมันราบเรียบไม่มีสะดุดอีกนี่ว่าเรียบในวิย์ที่มีความเรียบ เลียบที่สุดเหนือการเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้มันสะดุดไหมสะดุดความหลงไหมแต่ก่อนมันไม่หลงเหมือนปกติอยู่ความหลงเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปีปัจจัยนีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเป็นวัตถุภายใน อัดถูภายนอกก็มีรูปมีรส ม, มีกลิ่นมีเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆสองอย่างนี้เมื่อมันสัมผัสกันมันก็ต้องมีขึ้นขึ้นมาเหมือนดาวเทียมเครื่องรับมาเลยต่างๆที่มันมีขึ้นสัญญากันให้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง น้ามมาำธรรมเคยจิตใจดีๆจะเดิมปกติเมื่อยันไมีคึืนเกิดขึ้นก็เหมือนน้ำทะเลมีลมพัดนมพัดน้มน้ า, นาก็เกิดขึ้่นขึ้นมาสูงถึงสองเมตรสามเมตรสูงที่สุดถึง 10, สิบกว่าเมตร ยี 23, ่สิบสามเิเมตรสามารถยกเรือลบเท่าสลานี่จากทะเลขึ้นไปอยู่บนฝั่งประมาณาหนึน่ง ก, กมแมนบอลน้งากลมน้วงขากล่กกมไปบังแล้ว <c oughs> อาจา ร, รย์นางสินก็ไปดูเราอยู่เขาหลักจังหวัดพังงา ยกเกลือลบทะนาดใหญ่เหลือเหล็กเท่าสาราเนะี่ยขึ้นไปวางอยู่บนบกคลื่นมันใหญ่อันคื้นที่มันอยู่ในชีวิตจิตใจเราก็ใหญ่เหมือนกันนั่นนะไม่อันคื้นม น, นมันไม่ใช่น้ำมันมีเหตุมีปัจจัยแต่มันคื้นใหญ่ก็ทำอะไรเสียหายมาก คืกิจเกิดกับจิตใจเกิดกนำนามมาทำเนี่ยแต่มันยิ่งใหญ่กว่าทำไม่คิดพายได้เป็นปัญหาต่อโลกเป็นปัญหาตัวเราไม่พอยังเกิดปัญหาต่อโลกอีกกนขค้นมันไม่ใช่น้ำแต่ว่าเมื่อมันเกิดกับจิตแล้วมีสิ่งที่ตัดคืนได้เหมือนเดือขับน้ำ หนักเป็นหลายตันตัดขึ้นได้ทำใหเรียบได้อันขึ้นของกิจไม่เหมือนน้ำมันไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเราได้ทำางไปเม่นลงลู่ขึ้นมาตัดไปแล้วเหมือนเรือน้ำหนักหลายตันขับน้ำหลายตันขับไปได้ทานได้ ไม่กระทบกระทืนผู้มีสติไม่หวั่นไหวเพราะความหลงความทุกข์ความโกรธแด่นผ่านได้นี่คือธรรมธรรมอย่างดีเปลี่ยนหลงเป็นรู้ปฏิบัติอย่างดีถ้าหลงเป็นหลงปฏิบัติอย่างเลวไม่ค่อยจะได้ประโยชน์ ประโยชน์เกิดจากความหลงน่ะมันไม่ใช่เล่นเล็กน้อยจะทุกประเจือนความโกรธความโลภความทุกข์โดยทีเดียวตัวใหญ่มันคือเพราว่าที่หลงเลเจอดขั้งแรกเมื่อลงในสติเนี่ยมันต้องเห็นหลงผู้กับความโลภควงหลงควงไม่หลงมันให้เราทำอย่าปล่อยทิ้งไว้ทาดู เมื่อลมีสติเป็นกายเคลื่อนไหวมันจะเกิดไหลขึ้นนอกจากเราลูกสึกกายเคลื่อนไหวมันจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นมาแต่ลู่ไปทางนั้นสนุกดีเห็นงานเห็นการปล่อยทิ้งมาได้คนทำงานชอบคือทำอย่างนี้เวียนหลงเป็นลูกก่อนงานชอบเวียนผิดเป็นถูก ก่อนงานชอบเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกก่อนงานชอบเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนโลกเป็นไม่โลกเปลี่ยนได้ที่ด้อยเป็นเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีเรื่องร้ายๆทั้งหลายให้เป็นเรื่องดีเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาปัญหาให้เป็นปัญญาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของเราลองทำหมดเอง เข้าให้ถึงเนื้อถึงตัวเข้าถึงงานถึงการอย่าเพียงลูปรูปความคำบางทีเราลูปคํำมันโกรกก็รูปคำความโกรกถือว่าเหล่าซตามความโกรกซะอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะไม่ใช่ไม่มีการกระทําเราไม่เสฉดดาย嘛ไม่ความโกรก พอจะแดงออเฉียบผู้เฉียบคนเฉียบเรียบความโกรธคนอื่นก็กระทบกระทือนชิงอื่นกระทบกระถือนไปทั้งหมดเลยมีนะงานของเหล่านี่ยงานอย่างนี้ยังยังไม่เท่าไหร่เป็นงานเบาๆอยู่อดความแก่ความเก็บควมตายจะทำยังไงถ้าไม่ทําแบบนีไ้ไปก่อน จะทําได้เลยปฏิบัติอย่างนี้มันจะเหนือการเกิดแก่เจ็บตายได้เรามีเราตัดฉินใจมาเราตัดฉินถูกตัดฉินมาแล้วเกิดมาไม่รู้ไม่นามเกิดมาตัวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเกิดหนึ่งคนก็นตายหนึ่งคนเกิดสองคนตายสคนเก็บแก่ตายไปด้วยนี่คือมันตัด ฉินมาแล้วที่เราจะต้องมาเป็นทุกข์เพราะเรื่อง น, นั่นเลยภาษาความโกรธเฉยๆก็ทุกข์นะถ้าความทุกข์จริงๆทำไงปวดหายใจไม่ได้ทำไงเก็บปวดมากมีโรครูปโรคนะไม่ใช่ของดีนะเป็นรูปโรคนะนะนามโรค ลวามความหนาวความเจ็บมีหัวใจก็เป็นโรคหัวใจมีตับมีไตมีปอดมีอะไรมีเลือดมีน้าเหลืองมีอะไรก็มีโรคน้องสาวน้องต๋าเป็นโรคตายไปแล้วโรคบาหวานตายไปแล้วเปปโผก็ดูดเก็บไม่ได้เลยมันก็ดูกผุหมดแล้ว มันไปกันใหญ่เลยลูโลกโกรกแท้ๆนีวเราไม่ศึกษามานาจะคอยรับหมาบรับกรรมไปเลยให้หลงเป็นหลงให้โกรธเป็นโกรธให้ทุกข์เป็นทุกข์อยู่เช่นนั่นตลอดไปเลยกรรมปัจฐานทำให้สำเร็จมันหลงลูกเอาเถอะมันจะอ่อนล้าลความหลงลนั้นหลงที่เรารู้ ว่าหลงเป็นลูกไปแล้วอันมันก็มันก็มันก็น ก, ก, กระทบกระทือนไปถึงขวมโกรธขวมโรคขวมทุกข์ถ้าได้ตัดลากมันตัวนี้ียก่อนอกุศลนเนี่ยลากเก้าของอกุศลนะต่อว่าที่หลงเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งให้มันแล้วไปจ้าถ้าเราทำอย่างนี้มันจะมีความหลงเป็นขั้งสุดท้ายด ถ้ามีความหลงค้างสุดท้ายความโกรธความโลภ ค, ความทุกข์ปัญหาต่างๆจะค่อยหมดไปบางอย่างไม่ได้ทำเลยมันหมดไปเลยมีสินจึงรั่วมีสินเพราะสิ่งนี้หมดไปเงินสุขอมเหมือนลูกไม้เหมือนพุทธศา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 เช่นความคิดค <ods of love> ิดเรื oh, ่องอะไรคิดเรื่องความรักความรักก็ยังมีคิดเรื่องความโกรธความโกรธก็ยังมีคิดเรื่องความทุกข์ความสุขความสุขความทุกข์ก็ยังมีเพราะเราไปทำทำทางนามมาทำทำทางคิดใจนั่งอยู่นี่มันคิดไปไหนนอนอยู่นี่มันคิดไปไหนยืนเดินอยู่นี่มันคิดไปไหนอะไรมันหิ้วไปบปางา ถ้าไม่มีสติแต่มีสติก็กลับมาได้ในความหลงกลับมาลู่ได้มันคิดลู่ได้มันไปไหนลู่ได้กลับมาได้นี่กรรมมันตั้งไปนี้ฐานอยู่ที่นี้ขู่เฉียงเข้าเหยื่อเฉียนออกเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสีตัถท ธ, ธาทำบรรเลงที่จะได้ตัดฉลูมีสติ มากำหนดคอยคู่แขนเข้าอยื่แขนงอกกมิสติมันชิดไปไหนถึงกับเรียกว่ามารฮิเลสบานเกิดทางความผิดํัทํามานมัจจุมงานเทวบุตรธมานมันหิ้วไปไหนแล้วก็รูปขึ้นมาว่ารูปที่หนึง่งรูปที่หนึ่ง ก็ก็มันก็มีการกระทำไปขึ้นลรางานก็พ่ายแพ้ได้ทำย่อมชนะอธรรมอยู่เสมอโอ้มันไม่จริงอ่ะอธรรมนะเกอมหลงมันไม่จริงตัวมรู้สึกตัวมันจริงเกอมทุกข์มันไม่จริงกอมรู้สึกตัวมันจริงอะไรที่มันเกิดมันเกิดมันเกิดมันเกิดที่เป็น มันไม่เป็นคลื่นตดนะ้ตัดได้หมดเราจะเปรียบสติเหมือนกับใบมีดรถแท็กเตอร์ตัดคลืนที่มันเป็นหลมุมเป็นบอให้เรียบได้ผ่านไปตรงไหนเรียบตรงนั้นนะสติเป็นอุปมาเหมือนอย่างนั้นจริ<ๆ>เงเมื่อมันเรียบจากคลื่นเราเกิดศิน เ, เกิดสมาธิเกัด น, นะสินคือปกติแล้ว ไม่หวั่นไหวต่อความคิดไม่หวั่นไหวต่อความโกรธควาทุกข์เพราะมันมีปกติหรือว่าศีลเกิดขึ้นแล้วตามไปสมาธิเกิดขึ้นอีกแน่วแนวแม่มัน่นคงตรงไปเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าที่ตรงปฏิบัติต้งมันหลงตรง ต, รงตรง่อควมไม่หลงเฮารกความไม่หลงหพระความหลงไม่เป็นธรรมควงไม่หลงเป็นธรรม เวรทุกไม่เป็นธรรมความไม่ทุกเป็นธรร ม, มตรงมาอย่างนี้เขารูปนี้เทพเจ้าเขารูแบบนี้เทพเจ้าเขารูพระธรรมเขารูความถูกต้องหลงไม่ถูกอนะ่ะโกรธโลภทุกอะไรต่างๆไม่ถูกถ้าทําันนิมกันแล้วไม่เหมือนรูปนะรูปต้องกินข้าวต้องถ่าย ต้องนอนต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องข่มผ้าต้องหายใจเข้าออกต้องพิบปาต้องเกิดน้ำลายทั้งอยู่ในลูกนี่ยไอ้เป็นธรรมชาติแปลเพื่อใช้ในการนี้ขอบคุณที่มันมีลูกน่จะได้ใช้งานมันเหมือนมีพ่วงมีแผลมันหลงที่ลูกพี่ลูกที่หนำหลงกับใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ประโยชน์มากจากรูปจากนามยิ่งพวกเรามาเป็นนักบวชอาศัยอุ บ, บายการบวชบวชทั้งกายก็ดีบวชทั้งจิตใจก็ดีมัเนบบเป็นอุบายที่บวชเป็นอุบายมาอยู่วัดอยู่ว่ากานอยู่วัด ก็ทำให้เราสะดวกไม่ต้องไปคิดถึงอะไรไม่มีภาระอะไรไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนมีแต่ความคิดที่มันจะได้เห็นมั น, มนไม่มีอะไรปิดบงังมันตรงเลยทีเดียวอะไรไม่ทำแล้วมานั่งอยู่ฉนเข้าเสร็จแล้วอุ้มบาดมานั่งบนกติ ตั้งใจให้ตรงไม่สติไม่มีลูกไม่หลานมารบกวนไม่มีใครมาแยง่งไม่มีอะไรเที่จะมาทําให้เราหลงมิเดีเราเกิดหล ง, งาจากการเจรเราเนี่ยมัก็จะเห็นเหมือนน้าที่มันนิ่งอะไรที่มันเกิบเพิ่ม น, นิดหน่อยก็เห็นเสียงย ที่มันสงบเมื่อม่อเสียงเกิดขึ้นก็ได้ยินแต่มันไม่สงบอะไรเสียงอะไรลบกวนก็ค่อยได้ยินนี่การปฏิบัติธรรมเราต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมพอสขควรและเราก็เป็นเมตเพื่อนกันแล้วบอกกันได้เรียนมาตามพ่อกองมาตามครูเรามีสิทธิ์ก็ต้องมีครูหลวงพ่อเทียนเป็นครูของเรอ สนให้เรารู้จักชีวิตตัวเองรู้จักธรรมะเมื่อรู้จักธรรมะก็จักว่าพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์คือคนธรรมพระธรรมอยู่ในหัวใจของเราพระพุทธเจ้าในหัวใจของเราพระสงฆ์อยู่ในหัวใจของเร า, ย า, อ, ย อ, เราอยู่กับผู้ใดคนหน้าคนหลบอยู่กับผู้หญิงผู้ชายอยู่กับลูกกับหลานกับพวว acula, บ่อครัวผัวเมียก็ดังคนหลบ เพราะมีความดีก็ทำความชั่วออกไปหมดแล้วพึ่งพ่อใส่กันได้นี่คือธรรมะพระเจ้าครุฑพธธรรมอย่างนี้เป็นมาแล้วกําลังเป็นอยู่เนะเป็นไปด้วยข้างหน้าด้วยความผิดก็ต้องเป็นความผิดเลยไปความไม่ผิดก็มีความไม่ผิดเลยไปความเป็นธรรมก็มีความเป็นธรรมเลยไปความไม่เป็นธรรมก็มีความไม่เป็นธรรมเลยไป ต้องเคาความเป็นธรรมใช้ชีวิตด้ดยเคารพความเป็นธรรมจะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเป็นความสงบรุ่มเย็นปฏิบัติธรรมเราท่วนตัวแต่ไม่ผลกระทบกไปไกลถ้าเราดูตัวเองรักษาตัวเองก็ไม่มีอะไรผิดพลาดทำให้คนหลืดโลนมันหลง รู้ขึ้นมายังไม่ได้พูดออกไปเลยยังไม่ได้ทําอะไรออกไปมันเกิดหลงขึ้นมากระู้เิียแล้วไม่ได้ให้หระความหลงใช่กายใช่ใจถ้าให้ความหลงมั น, มนคัครอบครับใจในกายในใจแล้วโอ้ทําได้ทุกอย่างฆ้าตัวเองก็ได้ข่าคนหนึ่งก็ได้ทำอะไรได้ทั้งหมดเลยถ้าเรารู้จะหนอนเราเรักษาตัวเรา ก็มีความกระทบตัวสึ่งอืเรียบเลยนะไม่ไม่ชีวิตมันเรียบจริงๆนะเรียบกลัวอะไรทั้งหมดเลยชีวิตนี่ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนนะมีแต่เมตตากรุณ า, าเมตตาเปิขาวางอุเปิดขาในเมตตาคิด จ, จึงใดประกอบด้วยเมตตาอยู่อย่างสบายนอนก็หลับกินก็ได้ มันเรียบเลยเกินชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เรียบนะคลื่นเยอะแยะไปเลยนะหิ้วไปไหนบ้างถ้าเราฝึกมันเรียบมีอนี้สงมากทุกหัดเนี่ยไม่มีอะไรกระทบกขเทือนไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดในโลกเนีผู้เข้าสิริธรรมทุกมันจะเทือนพโลมผู้ฝึกต้นดีแล้วไม่หวั่นไหวเพราะนินทาเพราะเฉันเฉินเพราะทุกทุกอะไรต่าง นี่คือมันจะมีค่าอย่างนี้ชีวิตเราที่ได้มาที่ได้รูปได้นามมานี่ถ้าไม่ศึกษาปฏิบัติจะเป็นคนที่ทุกข์อมทุกข์มอกัวศตื่นหนังก็บางบางโยงกัดก็ตายอะไรก็ทุกข์มากไม่เหมือนไก่ไก่เขามีขนนอนที่ไหนฝนตกก็ไม่เปียนยุงก็ไม่กัดได้นก นกมานอนอยู่บนโต๊ะมันพองขนขึ้นกลมไปเลยมองไม่เห็นหัวเห็นขาแลวมองไม่รู้จักตัวนกเลยดูดีๆมันเป็นนกนอนมันพองขนขึ้นกลมเหมือนดบบประตูเชิงของคนเราต้องอาศัยอะไรมากมายงานอยู่การจินการใช้ชีวิตเนี่ย น่าสงสารโกษสะตืน่นถ้าไม่ศึกษาปฏิบัติเจ้าทุกเจ้ายากยิดของคนเหล่านี้ถ้าปฏิบัติแล้วโอ้ประสริฐจริงๆได้ประโยชน์จากมันนั่นรูปปันนามแน่ใช่ได้สำเร็จจนมันไม่มีงานทําลปฏิบัติธรรมนะให้ใส่ใจสักหน่อยใส่ใจเรื่องชีวิตเขาอย่าปล่อยทิ้ง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 อารมนีมันร่ายกว่าเสือขวมคิดเนี่ยทำร้ายคนมามากแล้วแค่นี้เราก็ยังทำไม่ได้เลยล้วถึงเขาเจ็บเขาตายทำไมเพียงความคิดเฉยๆก็เป็นทุกขนะ์ปาบบางจริงๆเราจึงไม่ควรประมาทมาเถอะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาศึกษานี่ไม่เป็นโควเป็นกรรมเป็นงานทั้งนัน้นแท้ ลองมือพลิกมือขึ้นยกมือให้รู้สึกตัวที่อะไรไม่จะเกิดขึ้นนอกจากความรู้สึกตัวแล้วจะได้ทํามันจะได้ทํามันเป็นงานของเราพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวอะไรไปมันก็ไปของมันเองรวมรู้สึกตัวก็ไปเฉยๆไปจากความหลงไปแล้วอย่าไปหา ไม่ได้หาไม่ได้หล่อพลิกมือขึ้นกับรู้ทันทีหรือหาหเจ้าเข้ากัรู้ทันทีหาเจยวกับรู้ทันทีเป็นทัวรู้ทันทีทันทีปัจจัดตังทันทีผู้ที่มีการศึกษาต้องทำด้วยตนเองเป็นปัจจัดตังแก้วเองเปลี่ยนเอาเองรู้เองอยู่ในตัวมันเองคนละมุมคน แม้มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เกิดจัดตัวเราเนี่ยความหลงเป็นฝั่งหนึ่งความไม่หลงเป็นฝั่งหนึ่งความทุกข์เป็นฝั่งหนึ่งความไม่ทุกข์เป็นฝั่งหนึ่งข้ามได้ข้ามไปได้ข้ามความหลงเป็นความรู้ไม่เหนื่อยเหงื่อไม่ออกไม่ได้มีจีริยาน่ะไม่ยากมันไล่โยงไล่โยงต้องเอามือไปไล่ แต่ไล่ความหลงในเพียงแต่กรรมการกระทําคือความเปลี่ยนหลงเป็นลูกอยู่นิ่งๆก็ได้มันจึงเป็นงานที่เราจะต้องทําแล้วก็ถูกต้องที่สุดเลยเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นงานชอบถ้ามีความหลงเป็นลูกความจาดีก็ชอบความ พูดจาก็ชอบความคิดก็ชอบกานงานก็ชอบความป้ากเพียนก็ชอบสติก็ชอบสมาธิปัญญาก็ชอบชอบไปหมดเลยเหมือนลุง ก, ก็บหลุนก็ห ล, ลงเป็นรูรูรูเสียงเงินเสียงทองได้ก็เสแห่งพระหนือผ่า น, านคนเจริญสติกดทานที่ได้ก็เสแห่้งไฟเหนือผ่านอะไรทีเดียว ก็เห็นกระแสเห็นหลงก็เห็นรูเห็นคทุกข์ก็เห็นความรู้อันรูไม่เป็นอะไรจนถึงภาวะไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้สงฆ์ข้องความรู้เจ้าตัวยิ่งใหญ่มากเหนือรูไม่เป็นอะไรกับอะไรมันหลงเห็นมันหลงมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นไรกับมัน เป็นกิริยาเป็นเพียงกิริยาอาการที่มันเกิดขึ้นกับกรูปกอนามให้สุขให้ทุกข์ไม่มีโรษชาติแบบนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีพอใจไม่มีไม่พอใจมีแต่เห็นไม่เป็นอะไรถ้าชํานาญแล้วเป็นศินลปะเป็นยานเป็นฌานไม่วอดไปเลย ชาชาปาัญญาชาอะไรไอ้ว่าเผาไหมไปเลยหายไปเลยเห็นไหไไหมไปเลยไม่มีรสชาติเห็นสุขไม่มีสุขเห็นทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีรสชาติมันเป็นชาตสติเป็นชาอย่างยิ่งเนะสุขละทุกข์ มีแต่ความรู้จักตัวไม่เป็นไรกับไรในนิพานบัด น, นี้ชิมลองไปดูก็ดีนะนิพานชีมลองเห็นไม่เป็นเนี่ยกระเสภายในนิพานเข้าไปแบบนี้ต้องเป็นเรื่องในชีวิตเราถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเกิดมาทาไมพุทธศาสนาถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเราจะนําถือไปทาไม สร้างวัดสร้างว่ า, า, วาบวดลกูกบวชลานทำบนอะไรต่างๆมากมายเพื่อการนี้โดยตรงมีผู้บอกมีผู้พูดได้ฟังมีผู้ทำตามก็ยังจะเหลืออยู่ถ้ามันมีใครบอกใครพูดใครทำมีผู้ฟังมีผู้พูดมีผู้ทำตามมันก็เหลืออยู่แม่มมันก็มีอยู่แต่มันไม่มีประโยชน์ มักผลนิพานมีอยู่แล้วเมื่อมีไม่มีผู้ค้นพบเขามีอยู่อย่างนั้นภาวะไม่เป็นอะไรมีอยู่แล้วในชีวิตเราแต่ความเป็นอะไรมันกบเกินไปแต่ความไม่เป็นอะไรไม่อยู่ลองดูชื่อเห็นไม่เป็นมีแตเห็นไม่เป็นมันจะเป็นยังไงเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงโจนเจ้าวามหลงแน่นอน เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นเจากความโกรธเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นเจาวความทุกข์เห็นทุกเรื่องที่มันเกิดเกิดปากเกิดใจเนี่ยเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บพ้นจากความเจ็บเห็นมันจะตายเหลือน้อยน้อยโอ้ดีมากนะเหลือน้อยน้อยเหมือนเส้นใหญ่หน่อน่อยก็ยดูกระดิกไปได้ตรงนั่นนะ ก็ดูกระดิกมานิ่งงูสง่างามเลยสงบสงมเหมือนคนเดินไต่เชือกเขาวเห็นไหมไอพี่เหนีคนตเชือกป้เห็นจังไรไต่เชือกไต่เชือกเส้นกน้อยเ้าตได้นะเขาเี่เขาโดงหลวงพ่อไปสิสองปันหนยเห็น แพะเลยฮเห็นแพะใช่ไหมไต่เชือ่อเอาลิงขี่หลังเลยอันแพะมันสีขาแพะลิกแกะก็ไม่รู้หรอวีบสองปัญหาใครไปก็จะไปดูต้นนั้นนะประเทศจีนนะแพะเอาไต่เชือ่อเอาลิงขี่หลังแล้วก็ขึ้นเอง ขึ้นแล้วก็ไตไปเองไตไปก็กลับมาไตาไปก็มาไงแล้วหนทำไมทำทำอะไรเขาฝึกอะไรเขาก็ฝึกได้เสือก็ฝึกมีก็ฝึกใส่เชือกคุยเดิอนอยู่ใส่หมวกเดินไปจับแขนไม่กระดดกกด็ได้จับแขีนยนเนี่ยหนัง้งเดินยิ้มมีนะ <c oughs> มีคนแย่งกันไปถ่ายรูปอนไรเขาฝึกมันนิ่งโอ้มนุษย์เนี่ยอะไรเนี่ยมันก็ดีกว่านันหรอถ้าไม่ฝึกมันก็ร่ายนะมีประโยชน์มีพิษมีภยัยเราต้องฝึกขัดเฉยแล้วมีกรรมฐานเฉยแล้วทุกวันเนี่ยนานเหลือเกินเราเกินมาตายไปเจ้าเลยแล้ว โสนพี่ก็ไม่ค่อยได้โสนโน้องก็ไม่ได้ปวดมานี่มาอยู่นี่สี่สิบห้าสิบปีน้องสาวไม่มาปฏิบัติชักทีเดยฉั <c oughs> นตายยี้งยา ก, กนนะ <c oughs> นแล้วเฉยไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรตามทุอควรนะ ให้ความสำพันญต่อกันเถอะพวกเราคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญที่สุดอย่าปล่อยกันทิ้งต้องบอกต้องสอนกันนะแล้วไม่มีความสําคัญต่อนคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยจะพลาดเสียดายแกไม่ได้ชั่วโมองหน้าจะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไม่ช่วยอะไรกันเลยนะนี่เห็นกันอยู่เนี่ยพูดในฝังอย่างนี้ช่วยกันอย่างเนี้ย จะได้ไม่บกพ่องท่านทุกข์เราก็บอกว่าไม่ถูกแล้วได้ยินไหมทุกข์กเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นะบอกแล้วนะมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนะให้ทํำลงปไปมีผู้บอกแล้วมีผู้ทําได้แล้วสิ่งที่ท่านหลงคนอื่นเขาไม่หลงกันแล้วคนอื่นมีแล้วนะ สนนิ่งที่ท่านเป็นทุกคนอื่นเขามาทุกกันแล้วสิ่งที่ท่านโกรธคนอื่นเขามาโกรธกันแล้วต้องเคลื่อนที่เราต้องปฏิบัติทีแล้วถ้ามันยังหลงอยู่ก็ต้องปฏิบัติอย่าดูว่าโอ้ยยากกับลูกกับหลานไม่อันความหลงไม่ได้อุ้มลูกอุ้มลูกอยู่ก็ยังเปลี่ยนได้อยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนไน้ความหลงนะ ยืนนอนเดินนั่งไหนได้หมดแต่ไม่ทำอเอาไวย้ยจะปล่อยเที่ยงไวง้ามอาณากรลาเจกามันดางานงานยุ่งเหยิงสับสนไม่ทําให้เสร็ จ, จทันทีไม่เป็นมงคลนาณากรลาเจกามันดาอาณากรลาเจกามันงานไม่ยุ่งเหยิงสับสนเป็นมงคลไม่ปล่อยที่งอย่างนี้นะใจเย็ยนไว้ บอกแล้วน ะ, <ล>ะชัวะช่วโงหน้าเราจุอยู่ที่ไหนก็ไม่นู้อ๋อสองคเจอหลานกาบสาฟ้องกัน